รวมเรื่องที่มีในวัตตะขันธกะภิกษุอาคันตุกะสวมรองเท้ากั้นร่มคลุมสีสักผ้าจีวรบนสีสัะเข้าไปในอาราม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 อภิวาสภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสผู้มีพภาษามากกว่าให้ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสผู้มีพภาษาน้อยกว่าอภิวาสถามเสนาสะนะทั้งที่มีและไม่มีภิกษุถามถึงโคจรคามและอโคจรคามตระกูลเสกขะสมมติที่ถ่ายอุจระปัสสาวะน้ําดื่มน้ําใช้ ไม้เท้ากติกาสงที่ตั้งไว้ว่าควรเข้าออกเวลาไหนพึงรอสักครู่วิหารรบพึงชำระให้สะอาดพึงขนเครื่องลาดพื้นไปไว้ที่สมควรเขียงรองเตียงฟูกหมอนเตียงตัง่งกระถนพนักพิงพึงกวาดอยากใยตั้งแต่เพดานลงมาก่อน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 บอกเสนาสนะที่มีและไม่มีภิกษุอยู่บอกโคจรคามและอะโคจรคามตระกูลเสกขะสมมติวัชกุดีน้ำดื่มน้ำใช้ไม้เท้ากติกาสงที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าออกภิกษุอาคันตุกะพรรษาน้อยกว่าพึงนั่ง บอกแนะนําภิกษุอคันตุกะพรรษาน้อยกว่าให้ไหว้บอกเสนาสนะนอกจากนั้นเหมือนในในตามที่กล่าวไว้แล้ววัดของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส ด, ดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นําหมู่ได้ทรงแสดงไว้แล้วภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางไม่เก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดิน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 คนวัดหรืออุบาสกยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลากองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูหน้าต่างหากวิหารฝนร่วงถ้าสามารถพึงมุงบังหรือขวนขวายในวิหารที่ฝนไม่ร่วก็เหมือนกันถ้าวิหารฝนร่วงทุกแห่ง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 ไม่อนุโมทนาในโรงอาหารทําให้คนทั้งหลายตำหนิพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาภิกษุปล่อยภิกษุเถระไว้ให้อนุโมทนารูปเดียวพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พระเถรานุเถระอยู่สถึงหารูปภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระกลั้นไว้จนสลบ นี่คือวัดในการอนุโมทนาพวกภิกษุฉับพักขีนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเดินแซงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ กีดกันอาสนะภิกษุนวกะนั่งทับสังคาติภิกษุผู้มีศีลตําหนิภิกษุพึงนุ่งห่มปิดมนทนสามคาดประคดเอวห่มผ้าสังคาติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมไม่เดินแซงปกปิดกายให้ดีมีจักสุทอดลงไม่เวิร์กผ้าไม่หัวเราะดัง มีเสียงเบาไม่โครงกายไม่แว่งแขนไม่โครงศีรษะไม่เท้าสะเอวไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระโยงปกปิดกายให้ดีสำรวมดีมีจักษุทอดลงไม่เวกผ้าไม่หัวเราะดังมีเสียงเบาไม่โครงกายไม่แว่งแขนไม่โครงศีรษะไม่เท้าสะเอว ไม่คลุมสีสระไม่นั่งรัดเขา่าไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถระไม่กีดกันอาสนะภิกษุนวกักกไม่นั่งทับสังคาติเมื่อเขาถวายน้ำพึงรับไปล้างบาทถืออย่างระมัด ร, ระวังเทน้ำลงกระโถนด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะผู้นั่งใกล้อย่าถูกน้ำกระเซน็นเปียก สังคาติอย่าถูกน้ำกระเซ็นเมื่อเขาถวายข้าวสุกพึงประคองบาทรับเว้นที่สำหรับแกงจัดถวายแกงอ่อมเท่ากันทุกรูปรับบินทบาทโดยเคารพมีความสำคัญในบาทรับบินทบาทพอเหมาะสมกับแกงรับเสมอขอบปากบาทภิกษุผู้เถระไม่พึงฉันก่อน จนกว่าข้าวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูปฉันบินทบาทโดยความเคารพมีความสำคัญในบาทขณะฉันฉันตามลำดับฉันพอเหมาะสมกับแกงไม่ฉันขยุมแต่ยอดลงไปไม่ฉันกลบแกงหรือกับข้าวไม่ขอแกงหรือกับข้าวมาฉันไม่แลดูบาทของภิกษุอื่น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 ไม่ฉันแลบลิ้นไม่ฉันทําเสียงดังจับจับไม่ฉันทําเสียงดังซุดๆดไม่ฉันเลียมือไม่ฉันขอดบาดไม่ฉันเลียริมฝีปากมือเปื้อไม่ควรรับขันน้าภิกษุผู้เทระไม่รับน้ำก่อนที่พิกษุทุกรูปยังฉันไม่เสร็จล้างบาดอย่างระมัดระวัง เทน้ำลงกระโถนอย่างระมัดระวังกระโถนอย่าเลอะน้ำภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นสังคาติอย่าถูกน้ำเทน้ำลงบนพื้นดินอย่างระมัดระวังไม่เทน้ำล้างบาศมีเมล็ดข้าวเมื่อกลับภิกษุนวกกะพึงกลับก่อนภิกษุผู้เถระกลับทีหลัง ปกปิดกายด้วยดีไม่เดินกระย o วัดในโรงฉันนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาทรงบัญญัติไว้แล้ว ภิกษุเที่ยวบินธบาทนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเข้าบ้านออกจากบ้านโดยไม่สังเกตเข้าออกรีบร้อนเกินไปยืนไกลเกินไปใกล้เกินไปนานเกินไปกลับเร็วเกินไปอีกรูปหนึ่งก็เช่นเดียวกันภิกษุถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดจะเข้าบ้าน พึงปกปิดกายด้วยดีสำรวมด้วยดีมีจักสุทอดลงไม่เวกผ้าไม่หัวเราะดังพูดเสียงเบาไม่โคลงกายไม่แข่งแขนไม่โคลงศีรษะไม่เท้าสะเอวไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระโยงพึงสังเกตก่อนอย่ารีบเข้าออกอย่ายืนไกลนักใกล้นักนานนัก อย่ากลับเร็วนักพึงยืนกำหนดว่าเขาจะหยุดงานลุกจากที่นั่งจับทัพพีภาชนะตั้งไว้หรือไม่แหวกผ้าสังาติน้อมบาตรเข้าไปประคองบาตรรับอาหารขณะรับไม่มองดูหน้าผู้ถวายแม้ในแกงก็กำหนดเช่นเดียวกันเมื่อเขาถวายอาหารแล้วใช้สังาติคลุมบาตร กลับไปปกปิดกายด้วยดีเดินไปสำรวมด้วยดีมีจักษุทอดลงไม่เวกผ้าไม่หัวเราะดังมีเสียงค่อยไม่โครงกายไม่แกว่งแขนไม่โครงศีรษะไม่เท้าสะเอวไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระโยงรูปที่กลับมาก่อนปูอาสนะไว้รอ ล้างภาชนะที่ใส่ของฉันเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้รูปที่กลับที่หลังจะฉันก็พึงฉันถ้าไม่ฉันก็เททิง้งหรือขนอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าเก็บน้ำฉันน้ำใช้กวาดรงฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าพึงจัดหาตั้งไว้ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาช่วยแต่ไม่ควรออกคำสั่งนี้คือวัดของภิกษุผู้เที่ยววินทบาท ภิกษุอยู่ป่าไม่เตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ไฟไม้สีไฟไม่รู้นักสัตว์ไม่รู้จักทิศพวกโจรถามก็ตอบว่าไม่มีไม่รู้ทุกอย่างจึงถูกโจรทำร้ายภิกษุผู้อยู่ป่าพึ่งสวมถุงบาตรคล้องบาตรผ้าจีวรบนไหลครั้นจะเข้าบ้านควรถอดรองเท้าใส่ถุงคล้องบา ปกปิดมนทนสามให้เรียบร้อยแม้ในอารันยิกวัตรก็มีในเหมือนในบินดะจาริกวัตรออกจากบ้านแล้วสวมถุงบาทคล้องบาพับจีวรวางบนศีรษะสวมรองเท้าเดินไปเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ไฟไม้สีไฟไม้เท้าเรียนนัดสัตว์ทุกประเภทหรือเพียงบางส่วน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 ภิกษุผู้มีศีลตําหนิถ้าวิหารรกเมื่อจะปัดกวาดเริ่มต้นควรขนบาจีวร อ, ออกไปขนฟูกหมอนเตียงต่งกระถนพนักพิงออกไปกวาดอยากเยื่อลงจากเพดานเช็ดกรอบประตูหน้าต่างและมุมห้องฝาทาน้ำมันพื้นทาสีดำขึ้นราถ้าพื้นไม่ได้ทา พึงเช็ดทำให้สะอาดปัดกวาดอยากเยื่อทิ้งไม่เคาะเสนาสนะใกล้พิกษุวิหารน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เคาะในที่สูงเหนือลมใต้ลมพรมปูพื้นเขียงรองเตียงเตียงตังฟูกหมอนผ้าปูนั่งกระโถนพนักพิงตากทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ตามเดิม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 กลางคืนเปิดปัดกวาดบริเวณซุม้มโรงฉันโรงไฟวัด จ, จักุดีตักน้ำดื่มน้ำใช้มาตั้งไว้ตักน้ำใส่หม้อชาระไว้อยู่กับภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าถ้ายังไม่ได้บอกอย่าให้อุทเทศปริปุชฉาอย่าสาธยายอย่าแสดงธรรมอย่าตามประทีป อย่าเปิดหน้าต่างอย่าปิดหน้าต่างควรเดินตามภิกษุแก่พรรษากว่าอย่ากระทบแม้ด้วยชายสังคาติวัดในเสนาสนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระมหาวีระทรงบัญญัติไว้แล้ว พวกภิกษุฉับพักขีถูกภิกษุผู้เถระห้ามปิดประตูภิกษุผู้เถระสลบภิกษุผู้มีศีลตําหนิภิกษุควรนําเท่าไปเททิ้งปัดกวาดเรือนไฟชาญภายนอกบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือนไฟบทจุรนแช่ดินเหนียวตักน้ำไว้ในราง เอาดินเหนียวทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถระไม่เกียจกันอาสนะภิกษุนวะกะถ้ามีความอุตสาหะควรทําบริกรรมแก่ภิกษุผู้เถระในเรือนไฟอย่าส่งน้ําข้างหน้าเหนือน้ําให้หนทางเรือนไฟเปะเปื้อนล้างรางแช่ดินเหนียวเก็บตังคับไฟ ปิดประตูนี้คือวัดในเรือนไฟภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วไม่ชำระถ่ายอุจจาระตามลำดับพรรษา ทรงอนุญาตให้ถ่ายตามลำดับผู้มาถึงพวกภิกษุฉับ พ, พักคีเข้าวัดจักกูดีเร็วเวรผ้านุ่งเข้าไปถอนหายใจพลางถ่ายอุจจาระเคี้ยวไม้ชำระฟันพลางถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกนอกรางบ้วนน้ำลายลงในรางใช้ไม้ชำระเนื้อแข็งทิ้งไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ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 ย่าเขี้ยวไม้ชํมระวันย่าท่ายอุจจาระปัสสาวะออกนอกรางอย่าบ้วนน้ําลายลงในรางอย่าใช้ไม้ชํมระเนื้อแข็งอย่าทิ้งไม้ชํมระลงในช่องถ่ายยืนบนเขียงถ่ายแล้วปิดผ้าอย่าออกมาเร็วนักอย่าเวริรกผ้าออกมายืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงปิด อย่าชาระมีเสียงดังจะปุกจะปุกอย่าเหลือน้ำชาระไว้ยืนบนเขียงชาระแล้วปิดผ้าวัดจกักกดีเละเธอะต้องทำความสะอาดตะกร้าไม้ชาระเต็มควรนำไปเทวัดจกักกดีชานภายนอกบริเวณซุ้มประตูรกก็ควรกวาดตักน้ำใส่หม้อชาระ นี้คือวัดในวัดจักุดีสัตว์ที่วิหาริกถอดรองเท้าถวายไม้ชำราฟัน น้ำล้างหน้าปูอาสนะถวายข้าวต้มล้างภาชนะเก็บไว้เก็บอาสนะที่รกพึงกวา่าเข้าบ้านถวายผ้านุ่งประคตเอวสังคาติที่ซ้อนสองชั้นบาทพร้อมทั้งน้ำปัจฉาสมณนะนุ่งปิดมนทนสามให้เรียบร้อยคาดประคตเอว ห่มสังคาติที่ซ้อนล้างบาทเป็นปัจฉาสมณะเดินไม่ห่างนักไม่ชิดนักรับของในบาทพระอุปชากำลังกล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัตกลับมาก่อนปูอาสนะไว้รอตั้งน้ำล้างเท้าต่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าลุกไปรับถวายผ้านุ่ง พลัดพึงที่แดดพึงทิ้งไว้ครู่หนึ่งอย่าให้มีรอยพับม้วนประกตเอวไว้ในขนดพระอุปชาต้องการจะฉันน้อมถวายบิณฑบาตถามถึงน้ำดื่มถวายน้ำรับบาตรถือมาอย่างระมัดระวังพึงแดดไว้ครู่หนึ่งอย่าพึงแดดทิ้งไว้พึงเก็บบาตรและจีวร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 ถวายจุรนและดินถ้ามีความสามารถก็ใช้ดินถาหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถรัไม่กีดกันอาสนะภิกษุนวกระทำบริก ร, รมออกจากเรือนไฟปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังทำบริกรรมในน้ำสง้น้าแล้วขึ้นมาก่อนนุ่งผ้าเช็ดตัวให้แห้ง เช็ดน้ำจากตัวพระอุปชาถวายผ้านุ่งสังคาติถือต่งเรือนไฟปูอาสนะไว้ตั้งน้ำล้างเท้าต่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถามถึงน้ำดื่มพึงเรียนพึงสอบถามถ้ามีความอุตสาหะก็ควรปัดกวาดวิหารที่รกก่อนปัดกวาดควรขนบาจีวอน ผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนเตียงต่างเขียงรองเตียงกระถนพนักพิงและเครื่องลาดพื้นออกไปปัดกวาดอยากเยื่อตั้งแต่เพดานลงมาเช็ดกรอบหน้าต่างฝาทาน้ำมันพื้นทาสีดำพื้นไม่ได้ทาพรมปูพื้นผึ่งแดด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 ซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุดีตักน้าดื่มน้ำใช้หม้อชําระพระอุปชาเกิดความไม่ยินดีราคาญเห็นผิดต้องอาบัตหนักควรชักเข้าหาอาบัตเดิมมานัตอับพานถ้าถูกลงตัชนิยกรรมนิยสกรรมปัปพาชนียกรรมปฏิสารณยกรรมและอุเขปนิยกรรม จีวรของพระอุปชาควรซักทำย้อมย้อมให้พลิกกลับไปมารับบาตรจีวรและบริขารปลงผมไม่ทำบริกรรมหรือขวนขวายเป็นปัจฉาสมณนะให้บินทบาทเข้าบ้านอย่าไปป่าชา้าอย่าไปสู่ทิศพระอุปชาอาพาธควรพยาบาลตลอดชีวิต ภิกษุทั้งหลายนี้คืออุปชายวัตอันสัตธิพิหาริกพึงประพฤชชอบพระอุปชาสงเคราะห์ด้วยอุดเทศปริปุชฉาโอวาทและอนุสาศ ให้บาทจีวรและบริขารคราวอาพาธไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะแม้อาจริยวัตก็เหมือนกับอุปชัยวัตอันเตวาสิกวัตก็เหมือนกับสัตธิวิหาริกวัตอาวาสิกวัตก็เหมือนกับอาคันตุกะวัตขมิกะวัตอนุโมธนาวัตพัตตักขวัตบินดจาริกวัต อารันยิกวัตเสนาสนาวัตชันตาครวัตวัจกุดีวัตอุปชายวัตสัตธิวิหาริกวัตอาจริยวัตอันเตวาสิกวัตก็เหมือนกัน ในขันธกะนี้มี19เรื่อง14วัดภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญวัดชื่อว่าไม่บำเพ็ญศีลผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์สามปัญญาย่อมไม่ประสบเอกัขะตาจิตผู้มีจิตฟุ้งซ่านอารมณ์มากย่อมไม่เห็นธรรมโดยชอบเมื่อไม่เห็นพระสัตธรรมย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์